ทำดีจะเป็นเหตุให้รอดจากภัยร้ายแรงหรือไม่ถามเขาว่าเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นจะมีนิวเคลียร์ลงผู้ควรจะตายเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าใครทำดีมากๆแล้วจะรอดได้อยากถามคุณดังตรินว่าคำทำนายนี้เป็นจริงหรือไม่ตอบ สิบกว่าปีก่อนผมเคยอ่านคำทํานายที่ว่าในปีพุทธศักราช2542หรือคริสตศักราช1999จะมีมหาสงครามนิวเคลียร์ผู้คนล้มตายกันทั่วโลกแต่คนดีๆจะมีสิทธิ์อยู่ต่อบางแหล่งถึงกับระบุทีเดียวว่าจะมีกรวยสีรุ้งพุ่งจากฟากฟ้าลงมาปกป้องอภิบาลคนดีมีสินสัตว์ให้อยู่รอดปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายจากระเบิดล้างโลกครั้งนั้นผมก็ขมวดคิว้วสงสัยแล้วว่าเอ๊ะคนเลวตายหมดแต่คนดีผีคุ้มไม่ตายง่ายง่ายมีแปลว่าผลของการเป็นคนดีคืออยู่ทรมานต่อจากพิษกรรมตภาพรังสีหรอกเหรอคิดดูสิครับโลกหลังมหาสงครามนิวเคลียร์นะ่ะมันจะไปเหลืออะไรนอกจากฝุ่นพิษ อาหารการกินน้ำไฟและความเป็นอยู่ต่างๆคงย่ำแย่เหลือรับประทานคำทานายทำนองนี้เหมือนจะเอาใจคนทั่วไปที่ไม่อยากตายหรือเป็นกุสโลบายให้คนเร่งขวนขวายทำความดีกันส่วนดีก็ดีละครับแต่ส่วนไม่ดีที่เป็นผลกระทบข้างเคียงคือความเข้าใจผิดสำคัญผิดและเชื่อมโยงเรื่องกรรมวิบากรรมผิ ด, ผด เป็นเหตุให้เสื่อมศรัทธาได้ง่ายๆถ้าผลออกมาไม่ตรงกับคำทำนายยกตัวอย่างเช่นยังไม่ทันเกิดสงครามนิวเคลียร์คนดีมีสินสัตว์ถูกไฟดูดตายโดยไม่มีปาฏิหาริย์ที่ไหนช่วยคนรู้ข่าวก็จะมองกันว่าไหนบอกคนดีผีคุ้มไงทำไมงอกองอขิงไม่เกรียมเป็นที่น่าสลดสังเวชขนาดนี้ ถ้ามองแบบคนกลัวตายยังยึดติดกับสุขขี้ปติิวในโลกคุณก็ต้องอยากฟังคําทํานายประเภทตัวเองดีพอมีบุญพอจะอยู่ต่อแต่หากคุณมีศรัทธาในบุญอย่างแท้จริงและตระหนักว่าบุญจะเป็นที่พึ่งให้คุณสบายกว่านี้ก็คงคิดไปอีกอย่างหนึ่งครับคือถึงตายโหงก็ตายโหงอย่างคนมีบุญร้องจักใหญ่ๆสักนาทีหนึ่ง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 ไม่ถือว่าเป็นเรื่องงมงายสัทีเดียวเพราะช่วงที่ผ่านมาเกิดเรื่องเลวร้ายมากมายสัจนคนหายประมาทกันเยอะแต่อย่างไรก็ตามขอให้พิจารณาตามจริงด้วยว่าคำทำนายเกี่ยวกับหายนะระดับช้างนั้นผิดมากกว่าถูกถ้าเหมารวมได้ทั้งหมดคุณอาจตาค้างด้วยความประหลาดใจคือร้อยคาทานายจะมีสักหนึ่งหรือน้อยกว่านั้น ที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นจริงๆชนิดตรงเพงทั้งเวลาสถานที่และบุคคลผู้ก่อการเมื่อข้อเท็จจริงตามสถิติคือเป็นไปได้ต่ำที่จะทายถูกพวกเราก็ควรกำหนดใจเชื่อไว้น้อยๆด้วยเหมือนกันเหตุการณ์ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับวิบากกรรมของคนเรือนล้านนั้นไม่ใช่รู้กันง่ายๆหรอกครับบางคนฟังคาทานาย และก็วิ่งเต้นเข้าพิธีศัยศาสตร์บ้างโกนกตกตื่นจนท้อแท้ไม่อยากทำอะไรเลยบ้างหรือกระทั่งสิ้นหวังขนาดอยากฆ่าตัวตายไปล่วงหน้าบ้างซึ่งอาจพราะคิดคิดอยู่ก่อนหน้าแล้วด้วยจากเรื่องรันทดในชีวิตตนเหล่านี้ล้นละาแต่ใช้ชีวิตที่เหลือไม่คุ้มค่าเป็นไปเพื่อถูกอุปาทานครอบงำให้จิตเป็นอกุศลเปล่าโดยแท้ ผมว่าเรามาเตรียมตัวกันแบบชาวพุทธจริงๆกันดีกว่าครับชาวพุทธเป็นอย่างไรเป็นคนที่พยายามรู้ตามจริงด้วยเหตุผลไม่ใช่เชื่อตามกันโดยปราศจากการพิจารณาและด้วยท่าทีของชาวพุทธผมอยากตั้งข้อสังเกตดังนี้ 1. ยอมรับตามจริงว่าปัจจุบันโลกตกอยู่ในเงื้อมเงาของอันตรายหลายประเภท อย่าดึงดันปฏิเสธแบบหัวดื้อตาใสว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆพวกเชื่อเรื่องภายพิบัติคือกลุ่มคนที่งมงายเท่านั้น 2. เมื่อเกิดคำทำนายใดๆทั้งจากฝั่งหมอดูและจากฝั่งนักวิทยาศาสตร์ขอให้ตั้งสติฟังอย่างรอบคอบว่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่นเร็วๆนี้มีข่าวว่าอุกาบาจะตกในอ่าวไทยหรือกันแพร่สะพัทต์ต่างๆน า, น า, นาถือเอาจังหวะที่ผู้คนกำลังขวัญเสียจากซึนามิโดยไม่คำนึงถึงหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ประกอบหากพิจารณาคำทำนายดีๆแล้วจะเห็นได้ตั้งแต่เมื่ออ่านหรือรับฟังในครั้งแรกนั่นเองว่าเป็นของเก๊เป็นเรื่องของคนชอบเล่นสนุกกับความกลัวของมวลชน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 อยากกลัวตายร้ายแต่ขอให้กลัวจะอยู่อย่างไม่ได้เตรียมตัวไปดีก็แล้วกันถ้าเปลี่ยนค่านิยมใหม่ซะได้ไม่เอาแต่กลัวตายโหงไม่เจาะจงอยากแก่ตายอย่างสงบคุณจะไม่ตื่นเต้นกับคำทํานายหายนะโลกเกแาๆอีกต่อไปครับ